ลาฟังเทศให้จิดอยู่กับตัวอย่าได้ส่งออกไปสู่อารมณ์นั่นนี้อย่าเสียดายอารมณ์ที่เคยคิดเคยปรุง ม, มาซึ่งไม่เกิดประโยชน์อะไรในเวลานี้จะพยายามบรรจุทมเข้าสู่ดวงใจใจนี้เคยแห้งผากจากทรมาเป็นมีลาร์เช่นเดียวกับสถานที่ ป่าไม้ที่ใดก็าตามที่แห้งผากไม่มีน้ำเป็นที่ชุ่มชื้นบา้บางเลยสถานที่นั้นเป็นเชื้อไฟได้เร็วแผดตเผาไม้ทั้งลำเป็นลำตายให้พินาศไปได้เพราะความชุ่มชื้นไม่มี หน้าฝนไฟไม่ค่อยจะไหม่ที่นั่นที่นี่ตามป่าเขาลำนาภไยแต่หน้าแรงไฟชอบไหม้ในที่ต่างๆแม้ที่สุดภายในวัดถ้าแห้งรัฐฐานีแห้งแรงมันก็ไหม้ได้ดีอย่างวัดป่ามันตตกดเคยถูกไฟไหม้มาแล้วหลายหนหนีเพราะความแห้งแรงนั่นเอง จิตใจแห้งแร้งด้วยธรรมไม่มีธรรมเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงไม่มีธรรมเป็นเครื่องทําความเย็นไฟที่เล็ดตัณหาอาสวะย่อมก่อตัวขึ้นได้เร็วอะไรผ่านเข้ามาเป็นไหมหมดไมมหมดไหมหมดไม่ในสถานที่ใดสถานที่นั่น ก่อมเสียหายเงื่อกิเลตันหาอาสวะไหมภายในจิตใจทำไมจิตใจจะไม่เสียหาย ม, มีคุณค่าขนาดไหนก็อับเฉาไปได้จนกระทั่งหากคุณค่าราคาไม่มีภายในจิตใ จ, จดวงที่ถูกไฟไหมอยู่ตลอดเวลานั้นมสมบัติใดก็ตามที่ถูกไฟไหมแล้ว ยอมเสียหายมากน้อยไปตามส่วนที่ถูกไหมนอกจากเก็บไว้ในที่ปลอดภัยเขาจึงเรียกว่าตู้นิรภัยสําหรับความปลอดภัยแห่งสมบัติอันมีค่าเช่นธนาคารต่างๆเขามีไว้อย่างนั้นเราได้มีตู้นิรภัยบ้างหรือไม่ภายใน จ, ใจิตใจหรือเปิดรับไฟกันอยู่ทั้งวันทั้งคืนยืนเนินนั่งนอนเปิดไม่หยุดไม่ถอยไม่ ยังไม่มีอะไรเหลือหรอไม่คิดแค่ได้อะไรบ้างเอ่ยนี่เป็นความคิดสอนตนเองจิตใจหาความผาสุกไม่ได้เพราะพ่ถูกไฟไหม้อยู่ตลอดเวลาราคคินาโทสักคินาโมหคินานั่นตามริตะปริยัสสูตรท่านแสดงไว้แล้วไม่มีอะไรที่จะผิดเป็นความถูกต้องมาตลอดการ เราได้นำแง่แห่งธรรมที่ท่านแสดงไว้แล้วนี้น้อมเข้ามาสู่ตัวของเรามาเทียบเคียงเหตุผลตามหลักธรรมที่ท่านแสดงไว้นั้นเราก็พอที่จะมีทางหลบหลีกหลีกตัวหาที่ชุ่มเย็นได้เป็นการเป็นเวลาไม่ได้ถูกไม่ไปเสียตลอดการดังที่เราท่านทาั้งหลายได้อุตส่าห์มาบําเพ็ญในเวลานี้ก็ดีฤทธิ์ที่ผ่านมาแล้วก็ดี ก็ชื่อว่าเราเสาะแสวงหาที่เก็บแสวงหาตู้นิรภัยสร้างตู้นิรภัยเพื่อความปลอดภัยจากไฟทั้งสามกองอันเป็นกองใหญ่ๆนี้ไม่เผาไหม้ไปเสียจนหมดสิ้นโดยไม่มีอะไรเหลือเลยการดับไฟภา ย, ยนอกออเป็นความยากลำบากถ้ามันติดมากๆ ที่ไม่ดีน้ำยังสู้มันไม่ได้น้ำเลยกลายเป็นลมไปหมดเพราะอำนาจหองลมมันพัดผันนี่ภายในก็เหมือนกันน้ำอัดน้ำทำถ้าไม่พอกับไฟไฟก็ดับลงไม่ได้ทั้นจึงต้องพยายามสั่งสมอบรมความดี มีการเจริญเมตตาภาวนาเป็นต้นเพื่อให้จิตรวมตัวมีกําลังมากแล้วจะได้ปราบปรามสิ่งที่เป็นภัยแก่จิตใจคือไฟดังที่กล่าวมาขึ้นชื่อว่าไฟแล้วมันต้องร้อนทั้งนั้นแม้แต่ดอกมันก็เด็นออกมาถูกเรามันยังเจ็ยิ่งจะปล่อยให้ไฟเผาทั้งวันทั้งคืนแล้วจะหาอะไรเหลือมันไม่มีเหลือ ภ า, ายในจิตใจร่างกายของเรามันเลือแต่ร่างกายจิตใจก็เหลือแต่สัจจะวรู้ความรู้ทั้งหมดนี้ก็ไปทุ่มเทให้กับความแบบทุกข์ที่กิเลสเผาขาน ร, รู้ก็รู้ไปด้วยทุกข์ไม่ใช่รู้ไปด้วยความสุขความสบายไม่ใช่รู้ไปด้วยความเฉล๋ยวฉละดปาดเปื่องความรู้อันนี้ก็ต้าอํานาจแห่งความทุกข์ให้ความทุกข์เหยียบย่ําทําลายอยู่ตลอดเวลาจึงเป็นเหมือนไม่มีประโยชน์อะไรเลย การสร้างคิตตพภาวนาขึ้นโดยสม่ำเสมอโดยความอุตสาห์พยายามความขยันหมั่นเพียรนี้เป็นทางที่จะดับไฟภาณในจิตใจของเราให้ปรากฏความเยืมกเย็นขึ้นมาโดยลําดับสิ่งที่ทําได้สิ่งที่เป็นฐานะพระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ทั้งนั้นอันใดที่ไม่เป็นฐานะคืออาถรรพคือเป็นไปไม่ได้ก็ไม่ทรงนํามาสั่งสอนสัตว์โลกการที่ นำมาสอนสัตว์โลกมากน้อยในบรรดาธรรมทั้งหลายเหล่านี้ล้วนแล้วตั้งแต่อยู่ในวิสัยของพุทธบริษัทจะพึงประพฤตปฏิบัติได้ไม่ใช่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนแบบสุ่มเดาเราผู้ปฏิบัติพึงเห็นอัดเห็นธรรมเป็นสำคัญเช่นเดียวกับเรื่องที่ เรามีความขยักขย้งในความทุกข์ทั้งหลายจะเกิดขึ้นทางกายและทางใจเป็นสิ่งที่ไม่พึงปรารถนานด้วยกันทั้งนั้นแล้วสิ่งใดที่จะนํามาแก้สิ่งที่ไม่พึงปรารถนา น, นี้นอกจากถาักเมื่อได้ทราบท้งโดยเหตุผลแล้วเช่นนี้การบําเพ็ญธรรมจะยากหรือง่ายนั้นไม่สําคัญเพราะความจงใจความพอใจและเหตุผลเป็นเครื่องบังคับอยู่แล้วให้ต้องทํา ทายจะไม่ขี้เกียจเพรอยู่ใต้อำนาจของกิเลส ด, ด้วยกันทุกคนความขี้เกียจต้องขึ้นหน้าเสมอความขี้เกียจไม่ใช่ทำที่จะยังบุคคลให้พ้นจากทุกเป็นความที่จะทำบุคคลให้นอนใจและร่มจมลงไปโดยลำดับตามอำนาจของกิเลสเท่านั้นพระพุทธเจา้าท่านก็เคยมีมาแล้วแต่ทำไมจึงได้นอก มีความสามารถนอกเหนือจากสิ่งที่เคยกดทวงจิตใจนี้หรือเคยมีอำนาจต่อจิตใจนี้ให้จิตพระองค์เหนืออันนี้ไปได้เราควร น, นำเข้ามาเทียบเทียงและยึดหลักของท่านไว้ยากก็ทาถ้าเราเห็นทุกข์ว่าเป็นทุกข์ว่าเป็นภัยจริงๆการแก้ทุกข์ก็ ต้องเป็นของสําคัญไม่เช่นนั้นสิ่งที่เราขย ะ, ะแขยงสิ่งที่เราเกลียดเรากลัวนั้นจะไม่พ้นจากการเจอกันตลอดไปจนได้จะหาทางหลบหลีกติดตัวด้วยความคิดเฉยโดยไม่มีการกระทํานี้เป็นไปไมาได้เพราะฉะนั้นสิ่งใดที่ควรจะการทําด้วยวิธีใดจะยากกับง่ายเราต้องทําตามวิธีนั้นๆซึ่งเป็นทางถอดถอน สิ่งที่ไม่ถึงปรารถนาออกจากจิตใจของเราเรานี่เป็นหนึ่งด้วยกันทุกคนพูดถึงเรื่องด้วยการเกิดตายแล้วและพูดถึงเรื่องความทุกข์ในระหว่างพบนั้นนั้นจนกระทั่งถึงบัดนี้เป็นหนึ่งด้วยกันทุกคนไม่มีใครจะเป็นสองรองกันไปได้เลยเพราะต่างคนต่างทุกข์ต่างคนต่างเป็นมาอย่างนั้นด้วยกันพบน้อยพบใหญ่ทุกน้อยทุกให ญ, ให ญ, ใหญ่ทุกมาด้วยกันไม่มีใครที่จะนำพบชาติมาแข่งขันกันได้ เพรามมันมากด้วยกันความทุกข์ก็มีเต็มกายเต็มใจเช่นเดียวกันเรานํามาแข่งขันกันไม่ได้ในสิ่งนี้มีท่านเยอะหนึ่งด้วยกันพวกเราที่ได้คะแนนเอกด้วยกันก็คือได้แบบนี้ทีนี้ให้เอกด้วยจิตด้วยธรรมเอกเรื่องความทุกข์ความทรมานนี่เอกมาด้วยกันไม่มีใครจะสามารถ อาจหารมาแข่งขันกันได้ว่าใครมีความทุกข์มากน้อยต่างกันอย่างไรนันน้นมีเหมือนๆกันพอๆกันขึ้นชื่อว่ากิเลสเป็นผู้นําทางเป็นผู้ถุดลากเป็นผู้พาเดินแล้วต้องเดินไปเพื่อความเป็นทุกข์มากน้อยโดยลําดับลําดับเช่นเดียวกันหมดถ้าหากเรายังจะฝืนยอมเชื่อกิเลสอยู่ล่ําไปแล้วเราก็จะต้องเป็นได้รับความทุกข์เพราะอํานาจของกิเลสล่ําไปด้วยไปตลอด ไม่มีเบื้องต้นเบื้องปลายว่าเมื่อไรเราจะพ้นจากกองทุกนี้ได้ถ้าเราไม่ฝืนการฝืนเป็นเรื่องธรรมฝืนด้วยเหตุด้วยผลของเราที่ทราบแล้วว่าสิ่งนั้นเป็นภัยสิ่งนี้เป็นภัยสิ่งนั้นเป็นทุกจะต้องแก้ด้วยวิธีนี้แก้ด้วยวิธีนั้นวิธีใดที่ถูกต้องในการแก้กฤฤิเลสแก้ความทุกข์เราต้องนาํามาใช้จะยากกับอง่ายมันสาคัญเช่นเดียวกับเครื่องมือ ทำงานจะหนักหรือเบาต้องนายช่างต้องยกมาทําหยิบมาทําทั้งนั้นถึงว่าระงานใดที่จะต้องทําด้วยเครื่องมือใดหนักก็ต้องยกขึ้นมาทําเบาต้องเอามาทําจนกระทั่งสิ่งที่ต้องการนั้นสําเร็จล่วงไปโดยลำหนั บ, นบถึงขั้นสําเร็จอันสมบูรณ์นี่เครื่องมือที่จะบําเพ็ญเพื่อแก้ิเคลียรตัญหาธรรมะ ที่จะปลูกสร้างจิตใจขึ้นให้เป็นหน้าเป็นฐานเป็นตัวเป็นตนขึ้นมาอย่างแท้จริงนี่เขาจะต้องสร้างด้วยเครื่องมือคือทำทำที่เป็นเครื่องมือมีหลายประเภทที่เราจะต้องนํามาใช้ในเวลานั้นๆบางการบางเวลาจิตใจไม่ถูกกิเลสยั่วย้า ไม่ถูกกิเลสก่อกวนให้ฟุ้งซ่านฟุ้งซ่านนำขานมากนักการแก้ไขหรือการฝ่าฝืนหรือการปาปรามกันก็ไม่หนักมือเท่าไหร่การใช้สติปัญญาอันเป็นเครื่องมือก็ไม่หนักมากอาการอย่งการกระทําก็ไม่หนักมากเช่นนั่งนานไม่นานก็ไม่ค่อยสําคัญเดินนานไม่นานไม่สําคัญการพิจารณานานไม่นานก็ไม่ค่อยสําคัญเพราะ งานยังไม่สำคัญเมื่อจิตถูกกิเลสมันก่อกวนวุ่นวายซะจนหาที่ปลงที่วางไม่ได้การนั้นเราจะอยู่เฉยๆไม่ได้ขึ้นชั่วนะักความเพียรแล้วต้องต่อสู้กันในเวลานั้นเป็นก็ต้องเป็นตายก็ต้องตายไม่ยอมแพ้ไม่ยอมถอยนอกจากตายเสียเท่านั้นให้เป็นถอยเองเพราะมันจุกขอวิสัยนี่ สติปัญญามีเท่าไรจะต้องนำมาใช้ในเวลาเช่นนั้นหนักก็ต้องใช้ลาบากยากเย็นเขินใจขนาดไหนต้องใช้ทุกขนาดไหนเพราะความเพียรก็ต้องนำมาใช้ทุกเพราะความเพียรไม่เป็นไรทุกเพราะเรื่องของกิเลสนี้พ่ลึกจมแล้วหาวันฟูวันโผล่หน้าขึ้นมาไม่ได้ชวนทุก์ด้วยการประกอบความภาคเพียงนี้ เราทราบทุกทางการเราก็ทราบเช่นนั่งนานเดินนานเราทราบอุบายวิธีต่างๆที่เราคิดเป็นความยากความลําบากเราก็ทราบแต่ผลที่ปรากฏขึ้นมาจากความยากความลําบากอันเกิดขึ้นจากความเพียรนี้นั้นเป็นความสุขความสบายความแยบคายของจิตใจซึ่งเป็นสิ่งที่เราพึงหวังตึงประหนากันอยู่แล้วนี่เมื่อมีเหตุมีผลเป็นเครื่องเทียบเทียงกันอยู่เสมอและมีเครื่องตอบรับกันใเรื่อยอย่างนี้แม้จะลําบากเพียงไรก็พอตะเกียบตะการกันไปได้ด้วยกัน าหากมีแต่ความลําบากอย่างเดียวไม่มีผลคือความสูบความสบาเป็นเครื่องตอบแทนเลยใครก็เป็นไปไม่ได้ในโลกนี้อยามาตย์จากคนเราสา ม, ามาัญธรรมดาแม้พระพุทธเจ้าก็แต่สรู้ขึ้นมาไม่ได้ <H m. S 1> สาวกอหรหัตอหันที่เราเต่งบ า, ารชาอุทิศน้ําใจต่อท่านผพุทธั้งธรรมังสังฆังสันนังฉ า, ามนี้ก็ไม่ปรากฏมีในโลกขึ้นมาเลยมันก็ต้องมีจังหวะที่จะพอสู้กันได้คนเราสําคัญที่ความพยายาม เหตุผลอย่าปล่อยวางสำหรับนักธรรมะถ้าเหตุผลจางไปเมื่ อ, อไรกิเลสจะแหลมคมเข้ามาทุกทีหรือเผ็ดเค็มเข้ามาทุกทีถ้าความเพียรจืดจางกิเลสต้องเข็มถ้าความเพียรเข้มแข็งสติปัญญาเข้มแข็งกิเลสจะค่อยจางลงไปจางลงไปเพราะกิเลสกลัวทำเท่านั้นไม่กลัวอะไรในโลกนี้ทำเท่านั้นเป็นเครื่องปราบกิเลส ทำก็ได้แก่ศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญานะั่นศรัทธาก็คือความเชื่อต่อผลที่พระพุทธเจ้าทรงได้รับแล้วและประกาศทำสอนโลกว่าเป็นนิยานิการทำจริงๆนี่เป็นศรัทธาความเชื่อแม้เราเองจะเมื่อประพฤติปฏิบัติดังที่พระองค์ท่านสอนไว้ก็แน่ใจว่าจะต้องได้รับผลเป็นที่พึงพอใจโดยลำดับนี่ศรัทธาวิริยะคือความภาคความเพียรทําอะไรถ้าทำด้วยความภาคความเพียรแล้วดีทั้งนั้น ไม่ว่ากิจนอกการไหนถ้ามีความเพียรเป็นเครื่องสนับสนุนแล้วต้องสำเร็จและสวยงามน่าดูน่าชมชาติเป็นสิ่งสำคัญที่จะคว้ากำกับงานนั้นๆไม่ให้พลังเผลอผิดค่าไปได้สมาธิมีความมุ่งมั่นต่อกิจการของตนไม่หวั่นไหวคอนแครกเอาจนถึงขั้นสำเร็จนี่เรียกว่าสมาธิในทางเหตุ สมาธิในทางผลปรากฏขึ้นมาเป็นความแน่วแน่มั่นคงของจิตเป็นความสุขความตบาวเกิดขึ้นจากเหตุคือความมั่นคงในการกระทาไม่บอกแบบวกคอนแคร์ไม่เอ็นเอียงตั้งหน้าตั้งตาทําจริงๆนี่คือสมาธิฝ่ายเหตุสมาธิฝ่ายผลคือความสงบของใจจนกระทั่งเป็นเอกากาตาที่ท่านเรียกว่าเป็นมีอารมณ์อันเดียวเท่า น, านั้นไม่มีอะไรเข้ามาพึ่งพืง ปัญญาคือความสอดส่องมองทะลุไปหมดอะไระไรก็ตามต้องใช้ปัญญาเป็นสิ่งสำคัญสอดส่องมองดูเหตุการณ์หน้าที่การงานนั้นจะได้ผลเสียหายหรือผลสมบูรณ์ประเภทยอย่างไรบ้างต้องอาศัยปัญญาพินิพิจนาบวกลบคูณหารกันไปในตัวนี่แหละทมที่จะยังบุคคลให้พ้นจากทุกข์ไปได้เดิมหล่ไม่ว่ากิจการงานอะไรที่จะสมบูรณ์ไปได้ประการหนึ่งท่านก็เรียกว่าอิทธิบาท4นั่น เป็นสิ่งสําคัญฉันทะเนี่ยพอใจกับเราพอใจกับอะไรฉันทะพอใจกับกิเลสมันก็เป็นกิเลสขึ้นมาคือคนพอใจในสิ่งใดย่อมมีความเจาะแสวงในสิ่งนั้นใฝ่ใจในสิ่งนั้นต้องเป็นสิ่งนั้นกันมาแต่อิธิบาต ท, ทั้งสี่นี้ไม่ได้หมายถึงทางต่ำซามเช่นนั้นหมายถึงความดีที่จะให้เป็นผลสําเร็จขึ้นมาตามความมุ่งหวังของตนทันเดียวว่าอิธิบาทคือสิ่งที่จะทําให้สําเร็จตามความมุ่งหวัง ได้เมื่อฝูดวิสัยทั้งมนุษย์ที่จะพึงทําได้ฉันถ้ามีความพอใจไฟกับวิริยะอันเยงคันท้วิริยะจิตตาไฟใจมาให้ห่างเหินจากกิจการงานที่ตนทําวิมังสาก็คือปัญญาเนี่ยรวมแล้วก็เป็นอันเดียวกันนี่แหละธรรมที่จะสร้างมนุษย์ให้เป็นมนุษย์สมบูรณ์แบบที่จะสร้างจิตให้มีรากมฐานสร้างหน้าที่การงานให้เป็นชิ้นเป็นอันเป็นสัตว์เป็นส่วน มีกฎมีระเบียบมีขนบประเพณีอันดีงามสําหรับตนเองผู้บนนําเพ็ญในธรรมทั้งหลายไม่ปีงเปียวกับหลักธรรมที่ท่านสอนไว้นี้เมื่อจิตใจมีความเป็นไปกับธรรมดังที่กล่าวนี้แล้วก็ชื่อว่าจิตใจมีอาราาักขาคือธร ร, รมาราาักขาธรรมเป็นเครื่องรักษาจิตใจ ใจย่อมมีความเจริญขึ้นเรื่อยๆเสียงที่เคยเป็นภัยต่อจิตใจก็ค่อยจางลงไปจางลงไปใจที่เคยอาภัพอับเฉามาเป็นเวลานานเพียงไรก็ตามเพียงอับเฉาเท่านั้นไม่ใช่จิตชิบหายตายไปจนหาอะไรคิดอะไรรู้ไม่ได้เมื่อถูกชำระ ด้วยความภาคเพียรโดยวิธีต่างๆยอมจะมีความผ่องใสมีความสงบเย็นใจมีความสุขความสบายขึ้นมาเพราะข้าศึกห่างไกลออกไปจากการด้วยการชำระของผู้มีความเพียรนี่เป็นกุญแจอดอกสำคัญที่จะขายสิ่งที่พึงปรารถนาทั้งหลายให้สำเร็จขึ้นมาโดยสมบูรณ์ได้ มาใจความคิดความต้องการเฉยๆโดยมีความท้อแท้แอบเป็นเครื่องถูกลากเอาไว้ไม่ให้ดำเนินงานนั้นๆเป็นไปโดยสมบูรณ์เราจะทําอะไรคิดอะไรก็ตามอย่าลืมเรื่องของพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นศาสนาของพวกเราการกระทําทุกสิ่งทุกอย่างถ้าเมื่อเกิดความท้อแท้แอบขึ้นมาให้เลื่อนถึงพระพุทธเจ้า พระพุทธเจ้าตรัสรู้ด้วยความท้อแท้อันแอะหรือตรัสรู้ด้วยความภาคเพียนในธรรมที่กล่าวมานี้ศรัทธาวิยะสติสมัธิปัญญานี้หรือตรัสรู้ด้วยอะไรเราจะอะไรมาบำรุงจิตใจของตนมาส่งเสริมจิตใจของตนให้เป็นความสูกความเจริญอย่างน้อยก็เป็นสิทธิที่มีครูถ้าไม่จะทําดังที่พระพุทธเจ้าทรงบาเพ็ญและรู้เหตรุรู้ผลมาแล้วนี้ไม่มีทางอื่นเป็น ท, นที่เป็นที่น่าเดินไปได้เลย คำว่ธรรมังสนณังกฉามีเกิดขึ้นมาได้ด้วยเหตุใดถ้ามาเกิดขึ้นได้ด้วยธรรมทั้งห้าประการนี้คือศรัทธาวิริยสติสมาธิปัญญานี้ไม่มีทางเกิดขึ้นได้ธรรมธรรมังสนังกฉามีเกิดขึ้นได้ด้วยเหตุนี้เองเกิดขึ้นจากพระพุทธเจ้าผู้มีธรรมทั้งห้าประการนี้ประจําองค์สารั ง, งสนณังกฉามีก็ไปในแนวเดียวกันถ้าสงฆ์สาวกทั้งหลาย ไม่ใช่ผู้อ่อนแอท้อถอยจะออกมาจาก ส, สกุลใดๆก็ตามตั้งแต่พระราชามหากษัตริย์ลงมาพ่อค้าเศรษฐีกุฎุมีถึงบุคคลธรรมดาเมื่อก้าเข้ามาสู่ความเป็นสากยาบุตรพุทธกินิรตินรตที่ปรากฏในพุทธศาสนาแล้วเป็นผู้พร้อมด้วยความเพียรทั้งนั้นนะเพราะฉะนั้นจิงความเพียรจริงเป็นเรื่องสาคัญมากที่จะยกฐานะของจิตใจบุคคลเรา ขึ้นสู่ระดับถุงโดยลำดับลำดับสูตรสอดความแยะสวัฏธรรมห้าประการนี้ศรัทธาวิยะสติสมาธิปัญญานี่แหละและสามารถยกจิตใจที่แม้จะล่มจมลงขนาดไหนก็ตามถ้าเราได้ยกทาทั้งห้านี้เป็นเครื่องพยุงแล้วดีดขึ้นมาโดยลำดับลำดับจนกระทั่งถึงความพ้นทุกข์ได้โดยไม่สงสัยในอธิบาตทั้งสี่ก็พึงทราบว่าเกี่ยวโยงกันเช่นนี้ นี่แหละธรรมที่ยกฐานะของจิตใจไม่ได้กดท่วมเหมือนอย่างสิ่งที่เคยกดท่วมในพาณิตใจทั้งหลายท่านเดินจงกรมบางองค์ฝาเท้าแตกนั่นงอยู่เพียนหรือไม่เพียนขนาดฝ่าเท้าแตก บางองค์ไม่นอนตลอดรรยมากคือสามเดือนจนจักสุแตกบอด เ, อเช่นพระจักษพสุบา์เป็นต้นท่านลำบากไม้ท่านประกอบความเพียรเราพิจารณาหน่เราไม่ถึงกับให้ตาแตกขนาดนั้นขนาดกิเลสทุรนทุลายก็ยังดีหาที่หลบที่ซ่อนก็ยังดีอย่าให้กิเลสมันเลยรวนพ้วนเปลี่ยนไปหมด ทางหูทางตาทางจ ม, มูกทางลิน้นทางกาทางใจมีแต่เรื่องของกิเลสพ้่นเพี้ยนไปหมดหาตัวหาตนหาอาาัตถะทไปจิตใจของเราไม่มีเลยแล้วเราจะหาความรบเย็นมาจากไหนเพื่อดัดกิเลสบ้างซึ่งเคยเป็นใหญ่เป็นตัวพาณจิตใจของเราจึงต้องอาศัยหลักธรรมที่กล่าวนี้ให้แนบทนติดกับใจอย่าระอันใด ย, ยิ่งกว่าธรรมนี้ซึ่งเป็นเครื่องแก้กิเลส ให้แก่ใจอันเป็นที่รักที่สูหมหวนอย่างยิ่งในชีวิตของเราก็คือใจให้ดมีอิสระเสรีขึ้นไปโดยลําดับใจอิสระกับใจที่หมอบอยู่ใต้อำนาจของกิเลสอันไหนดีคนเราที่หมอบอยู่ใต้อํานาจของเขาไม่มีอิสระภายในตนเลยกับคนที่มีอิสระเสรีอันคนไหนดีนะจิตใจที่หมอบหน้าด้วยกับกิเลสตัณหาสภาวะทั้งหลายมาเป็นเวลานาน เราถ้าเรายังไม่เบื่อพออยู่แล้วเราจะต้องหมอบราบไปเรื่อยๆถ้าว่ามีความเบื่อความพอความดินหนาละอาจายความความเห็นโทษของสิ่งเหล่านี้แล้วก็จะมีทางต่อสู้มีท่าต่อสู้กันด้วยวิธีการต่างๆสุดท้ายก็มาลงในธรรมหข้อ น, นี้เป็นเครื่องมือสำคัญสำหรัดปราบปรามกิเลสเหล่าทั้งหลายเหล่านี้ให้แหลกเหลวไปได้สนามรบของผู้ปฏิบัติคือสถานที่ใดเห็นท่านเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนา หามรุ่งหามค่าท่านเอาอะไรเป็นสนามลบเป็นสถานที่พิจารณาในหลักธรรมท่านสอนว่าสัจธรรมทั้ง4ี่สัจธรรมทั้ง4นั้นมีอยู่ในที่ใดถ้าไม่มีอยู่ในการในจิตของมนุษย์เหล่านี้เราก็เป็นมนุษย์คนน่เราเดินโยมกลมนั่งสมที่ภาวนาเพื่อหาอัธยาธรรมเราจะหาที่ตรงไหนถ้าหาในสัจธรรมการหาในสัจธรรมหาอย่างไรทุกก็ทราบแล้วว่าทุกมันเกิดขึ้นในกายในจิตของบุคคลและสัตว์สัตว์เขาไม่รู้เรื่องวิธีปฏิบัติ แก้ไขแต่เราเป็นผู้รู้วิธีแก้ไขคำว่าทุกข์เป็นสิ่งที่พึงปราถนาแล้วเหรอเกิดขึ้นในกายก็ไมเป็นสิ่งที่พึงหวังเลยกายอยู่เฉยก็ตามถ้าทุกข์เกิดขึ้นจะมีความระสัำระส า, าอากับจิตญาจะไม่น่าดูเลยถ้ามันเกิดขึ้นมากๆยิ่งดูไม่ได้ใจิตใจที่มีความทุกข์จะเกิดขึ้นมากๆน่าดูแล้วหรือสแสดงมาทางใดเป็นไฟไปหมดเพื่อความระบายทุกข์ความจริงเพื่อความเพิ่มทุกข์ทั้งนั้นโดยเจ้าตัวไม่ทราบเลย คนที่มีความทุกข์มากจึงต้องระบายออกในท่าต่างๆดังที่เราทราบกันนั่นถือว่าเป็นทางระบายออกของทุกข์แต่ความจริงแล้วเป็นการสั่งสมหรือเป็นการส่งเสริมทุกข์ให้มีมากขึ้นเป็นความเข้าใจใเฉยๆว่าตนระไมยทุกข์ออกมาคนอื่นเดือดร้อนจนแทบตายเพราะความดุด่าว่ากล่าวแสดงกิริยาการที่ไม่ดีไม่งามออกมาจากของไม่ดีไม่งามซึ่งมีอยู่ภายในจิตใจของตนเมื่อระบายออกไปที่ตรงไหนมันก็เดือดร้อนไปหมดศพ ก, ก็ปลกไปด้วยกันหมด นี่เรื่องความทุกข์มันเกิดขึ้นมาเพราะเหตุใด น, นี่เราค้นหาสาเหตุนี่คือสัจธรรมข้อหนึ่งเราทราบแล้วว่าทุกข์นี่เราจะแก้ทุกข์ด้วยวิธีใดถ้าไม่แก้สาเหตุที่เป็นเครื่องผลิตทุกข์ขึ้นมาคือสมุทยัยสมุทัยคืออะไรกาฏตัญหาพระวะตัญหาวิภระวะตัญหานี่ส่วนใหญ่ท่านท่านเรียกว่าสมุทยัย ความอยากในสิ่งที่ตนรักใคร่ความเกลียดในสิ่งที่ตนไม่ชอบเกิดทุกข์ขึ้นมาเหล่านี้ด้วนนี้ตถึงเป็นเรื่องของสมุทยัยความคิดความปรุงอันใดที่จะเป็นเครื่องสั่งสมกิเลสเป็นเครื่องสั่ง ส, สมทุกข์ขึ้นมาท่านเรียกสมุทยัยทั้งนั้นเป็นกิ่งเป็นก้านแตกแขนงออกไปจากต้นไม้ต้นเดียวนี่แอืะความโลภความโกรธความหลงราคาโทสะโมหะ ราดเงาของมันจริงๆอยู่ที่ไหนไมันก็อยู่ที่ใจมันฝังอยู่ที่ใจนีทั้งนั้นไม่ได้ฝังอยู่ที่ไหนเราพิจารณาค้นคว้าเข้าไปภายในร่างกายของเราแล้วก็ย้อนกลับหาใจมันคิดมันปรุงเรื่องอะไรปรุงทั้งวันทั้งคืนปรุงแต่เรื่องความทุกข์ความร้อนให้ตนแล้วหาที่ดับไม่ได้อันถึงสอนให้มีสติปัญญาพิจารณาตรวจตาดูความคิดความปรุงของตน อา้ามันจะห่วงเนาะจะห่วงในขันห่วงไปอะไรอืม응เกิดมาแล้วจะไม่มีปาดทาเหมือนโลกทั้งหลายเขาหรือถึงได้หวงได้ห่วงนะแล้วจะสําเร็จประโยชน์ไหมความห่วงของเรานี้สําเร็จไหม응มันจะไม่กลายเป็นยำปิดฉันนราปฏิตำปิดทุกขังขึ้นอีกเหรอนั่นปรารถนาเมื่อไม่สมหวังแล้วมันจะเกิดกองทุกข์ขึ้นมาภายในหัวใจอีกถ้าไม่ปรารถนาถ้าในพิจาณาตามความจริงรูปรขันนี้มันตั้งขึ้นแล้วเพื่อแตกไปไม่ได้เพื่ อ, ออื่นใดทั้งนั้น ตั้งเพื่อแตกไปเราก็ทราบถ้าเราพิจารณาทางด้านปัญญาแล้วเราหาที่ขัดแย้งไม่ได้เมื่อหาที่ขัดแย้งไม่ได้แล้วจะไปห่วงห้ามมันทําไมทราบด้วยปัญญาแล้วก็วางไว้ตามแต่จริงของรูปประหารที่มันกําลังจะแตกหรือมันทรงอยู่ก็ทราบมันทรงอยู่เพื่อจะแตกจะฉลายไปเท่านั้นโลกอันนี้มีป่าชาติป่าชาติเต็มไปหมดทุกสัตว์ทุกบุคคลเราสงสัยปาชาติที่ไหนจึงไม่อยากตาย ถ้าเราพิจารณาตามหลักธรรมนี้แล้วเราจะไม่สงสัยปัจาฉาแล้วเราไม่จะสงเราจะไม่สงสัยตัวงเราว่าจะไม่ตายเมื่อเราไม่สงสัยว่าเราไม่ตายแล้วเราก็ไม่หวัน่นเราทราบชาัดทางในจิตใจของเราปล่อยเพราะเรื่องความตายเป็นหลักธรรมชาติแล้วไม่ห้ามไม่ได้ตรงตรวจปล่อยลงตามหลักธรรมชาติทั้งมันมันจะลงไหนก็ให้ไปดินเป็นดินน้ําเป็นน้ําลมเป็นลมไฟเป็นไฟเอาไปตามสภาพผู้รู้ให้เป็นผู้รู้อย่าไปหลงเอานา้ำเอาลมเอาไฟมาเป็นตน มันเป็นกาฝากแล้วก็มากัดมาชัยเราให้เดื อ, อดร้อนไปด้วยเพราะฉนั้นไม่ใช่เราเราถือว่าเป็นเรามันก็เกิดเกิดความทุกข์ก็มากัดมาชัยเรานี่แหละอืมเ่อธนาก็เหมือนกันความสุขความทุกข์เราเคยปรากฏมาตั้งแต่วันเกิดจนมาทั้งบัดนี้ไม่ว่าสุขทางกายทุกทางกายสุขทางใจทุกทางใจมันก็เป็นเรื่องอันนี้จังทุกขังนั้นตาเหมือนกันมันเกิดมาเพื่อดับไปเกิดมาเพื่อดับไปขึ้นใช่ว่าสมมุติแล้วมันมีอะไรกีรังถาวรที่จะคงเส้นคงวาอยู่ได้เนี่ย ทุกที่ตรงไหนเวทนาเวทนาในร่างกายเราพอพิจารณาได้ปัญญายังพอสอดส่องมองทะลุไปได้ทุกภายในใจนี่สิมันำคัญทุกภานกายเป็นแล้วเกิดทุกภายในใจขึ้นมาอีกก็เพราะก็เพราะเรื่องของสมุทยัยคือเรื่องของกิเลสตัวเดียวเท่านั้นแหละหลอกคนให้ทราบชัดเจนการพิจารณาร่างกายก็เพื่อจะแก้ไขความรู้ลง ของตนที่มาสําคัญว่ากายนี้เป็นต น, นาการพิจารณาเวทนาทุกขเวทนาสุ ข, ขเวทนาก็เพื่อจะลบล้างทุกเวทนาเหล่านี้ที่สําคัญว่าเป็นตนออกจากใจให้ต่างอันต่างจริงเวทนาให้เป็นเวทนาเราให้เป็นเราคือความรู้อย่าเอามาคัดเข้ า, ขากันมันเป็นไปไม่ได้เพราะอันหนึ่งเป็นอันหนึ่งอันหนึ่งเป็นหนึ่งจะมารวมกันเป็นอันเดียวกันอวัยวะเดียวกันได้อย่างไรเช่นคนสองคนจะมารวมเป็นคนเดียวได้เหรือ คนคนเดียวมันก็หนักพอแล้วเอาสองคนสามคนสี่คนห้าคนมาแบกมันยิ่งหนักไปไม่ได้เลยเนี่ยแบกรูปแล้วก็แบกเวทนาแบกสัญญาแบกทัญญ้งขาแบกวิญญาณซึ่งล้วนแล้วตั้งแต่เป็นของหนักด้วยอุปทานแล้วที่นี่ผลที่จะสะท้อนกลับมาแล้วจะมาไหนถ้าไม่มาใจซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบนี่จะต้องเป็นทุกแต่ผู้เดียวทั้งๆ ท, ที่ไม่ได้รับประโยชน์อะไรจากการยึดถือนั่นเลยเนี่ยเรายังจะฝืนไปยึดไปถืออยู่เหลยนี่การพิจารณาทุกเวทนาให้เห็นตามความจริงของมันอย่างนี้ สัญญาทวาจำจ ำ, จำทลายลืมเท่านั้นต้องการก็ะคิดขึ้นมาใหม่หมจำใหม่แล้วก็ลืมไปลืมไปเรื่อยๆจำได้แล้วลืมจำได้แล้วหลงลื ม, ลมสัญญาวาสสาวิมุยหะติพระพุทธเจ้าสอนไว้แล้วหาที่ย้งที่ตรงไหนสัญญาเป็นของไม่แน่นอนจำได้ก็หลงลืมไปสัญญานิจานี่ท่านก็ บ, บอกแล้วคาว่าอนิจานิจานั้น มีแต่ท่านสวดให้คนตายฟังอนิจจาวัจจสังขาราเรายังจะมาสวดมาเสกมาสันเราให้เป็นคนขึ้นมาที่ไหนให้เป็นเราเอามาทั้งขันท่านไม่ว่าเป็นเราได้อย่างไงมันเป็นอนิจจานิจังทุกของหน้าตาพิจารณาด้วยปัญญาแยกแยกกันให้เห็นละเอียดละอ่อเราไม่ต้องกลัวตาย <S <S 2> <S 2> ความตายไม่มีในจิตเราจะหาเรื่องกลัวมาหลอกจิต เป็นการโกหกตัวเองแล้วก่อความทุกข์ขึ้นมาโดยไม่เกิดประโยชน์อะไรเรียกว่าฝืนธรรมคือความจริงของพระพุทธเจ้าใครเชื่อพระพุทธเจ้าแล้วอย่าฝืนความจริงพืจะน้าเห็นตามความจริงด้วยอํานาจของปัญญาของตนนั่นแหละผู้นั้นละ่ะชื่อว่าพูดทังธนางกระฉามิอย่างแท้จริงไม่ใช่พูดแต่ปากมันเห็นอยู่ภายใใจด้วยพร้อมทั้งความจริงที่พระพุทธเจ้าทรงสอนมาแล้วอย่างไรสอนไว้ในมวลสัตว์โลกเราก็เป็นมวลสัตว์คนหนึ่งในจํานวนหองมวลสัตว์ทั้งหลาย ทำไมเราจะไม่ทราบตามความจริงที่พระเจ้าทรงสอนไว้แล้วที่มีอยู่โดยสมบูรณ์ในภายในตัวของเราคือสัจธรรมทั้งสสังขารทั้งสิคือความปรุงเนี่ยมันจริงเมื่อไหร่มันปรุงมันปรุงมันแต่งขึ้นมาเสร็จขึ้นมาปั้นขึ้นมาทํารูปนี่ขึ้นมาเราทํารูปนี่ขึ้นมาจากสิ่งนั้นจากสิ่งนี้มารูปเช่นรูปตุกตรูปตุกตาเป็นต้นเนี่ยเดี๋ยวก็แตกนี่ความปรุงก็เหมือนกันปรุงดีปรุงชั่วปรุงอะไรมาก็มาหลอกตนเองนั่นแหละไม่หลอกที่ไหนเพราะ จิตมันเจ้าจอมโง่อะไรอะไรมาหลอกมันก็เชื่อหมดใช่ว่าไงมันน่ามันน่งมันน่าหลอกมันก็หลอกเลยสิถ้ามีปัญญาแฝงอยู่ด้วยคอยสกัดลัดกั้นอะไรเข้ามาก็กั้นก็กองได้ดีแล้วแม้สังขารจะปรุงสักกี่ร้อยกี่พันครั้งในวินาทีหนึ่งก็ตามมันจะรอบตัวอยู่กี่ร้อยกี่พันครั้งเช่นเดียวกันโดยทางปัญญาอะไรจะมาหลอกได้สังขารก็ทราบแล้วว่าสังขารความรู้คือใจก็ทราบแล้วว่าเป็นใจแล้วไปหลงเขาทําไหมเขาเกิดมาจากตัวเองไปตื่นเงาทำไมเนี่ย สังขานเหล่านี้มันก็เป็นเหงาวิญญาณกัมันการยับยับยับยบยัเวลามีอะไรมาสัมผัสทางตาทางหูทางจมูก ท, ทางลิ้นทางกา ย, า ก, ายก็ไปรับทราบ ท, ที่จิตที่จิตจิตก็ปรุงแต่งขึ้นมาด้วยสังขารด้วยสัญญาเอาหลอกขึ้นมาปั้นขึ้นมาหาตัวจริงมาได้ก็หลอกขึ้นมาหลงอารมณ์ของตัวเองอยู่ทั้งวันทั้งคืนแล้วก็เอาหลงอารมณ์นั่นแหละความหลงอารมณ์นั่นแหละเป็นความทุกข์ขึ้นมานั่นเป็นผลแห่งความหลงเราไม่เห็นโทษของมัน นี่ที่ตรงนี้เราจะเห็นที่ตรงไหนการเรียนจะจะทําไม่เรียนที่ตรงนี้รู้ที่ตรงนี้จะรู้ที่ตรงไหนไล่เดียงมันไปนละเอียดลอะออนขี่ตลบทบทวนไม่สําคัญสาคัญด้วยความเข้าใจด้วยปัญญาอย่างแจม่มแจ้งแล้วไม่ต้องบอกอุปทานจะมีใหญ่โตยิ่งกว่าภูเขาจะขาดสะบ้ลงไปไม่มีอะไรเหลืออยู่เลย เมื่อถูกไล่ต้อนเข้าไปด้วยปัญญาแล้วมันไม่ไปไหนมันก็จะเข้าถ้าใหญ่ที่ว่าคูหาเสอย่างมันเข้าไปหาจิตะตีเข้าไปด้วยปัญญาตัวอนิจจังทุกขังอัตตามที่มันเป็นเงาเป็นเงาตัวจริงมันจริงจริงมันอยู่ไหนไล่เข้าไปตัวจริงมันจริงมันอยู่ที่จิตนั่นรวมตัวที่จิตอันนั้นเงาของมัน ตื่นรูปตื่นเวทนาตื่นสัญญาตื่นตนนนนั้งขันตื่นวิญญาณนงรูปเวชนาสัญญาสัาส้งขานวิญญาณปัญญาเฉาะจอบมองทะลุอันนี้ไปหมดแล้วมันวิ่งเข้าไปสู่ภายในผู้จิตไปอยู่รวมอยู่กิน ด, ดวงเดียวถ้าจิตไม่งงเสียเท่านั้นจิตก็ย้อนเข้ามาพิจารณาตรงทีตง่ตรงนั้นเองเอาตัวจิตนั่นแหละฮะมันวิ่งเข้าไปหลบซ่อนในจิตทําลายในจิตเลยมันวิ่งไนหลบซอนเลยไปเสียดายในที่นั่นแล้วโจรอยู่นั่นนะมันจะยิงหัวเราออกมา อ้าวมันเข้าไปหลบซ่อนอยู่ในตึกใดร้านใดจะราคาแพงเท่าไหร่ก็ตามระ้เบิดฟาดเข้าไปมันพังถลางไปหมดจนก็ตายอา๋ออันนั้นจะทิพยหายถ้าทิบหายไปเรายังมีชีวิตยอยู่เราทําได้สร้างได้ขอเราอยากจะขอเราอยากตา ย, า ย, าตายก็แล้วกั น, นี่อันนี้ก็เหมือนกันฟาดฟันมาลงไปมันเขารวมอยู่ในจิตพิจารณาเป็นกองทุกอนดีจังทุกขรณตาด้วยกันเพราะยิเดียดเหล่านี้มันเป็นตัวสมมูิฟาดพันมันแหลกลงออกภานาจิตนั้น เมื่อแลลงไปแล้วอา้าวจิตจะชีบหายกใ็ให้ให้รู้มันไม่ชีบหายสิอออะไรชิบหายแต่ก็ชิบหายไปแต่จิตมันไม่ชีบหายเพราะมันไม่มีป่าชา้าในจิตนตรงนั้นแหละท่านเรียกว่าทนไผ่ราคกินนาโทสักขินนาหมวกกินนาหมดอน้ำอำําอมตะธรรมสาดลงไปที่ตงนั้น เรียบวุฒกิเลสไม่มีอะไรเหลือเลยสิ่งที่เหลื อ, อก็ ค, อคือความบริสุทธิ์เมื่อจิตบริสุทธิ์เต็มที่แล้วนั่นหละคือความสุขเต็มที่มีอยู่ที่ตรงนั้นงานอะไรทั้งหลายแหละมายุติเป็นที่ตรงนั้นทันว่าบุชิตังพระมจริยังกตังกรณียังนับปรังอิสตายติประชานาติได้เสร็จกิจ ลุกโภมาจรรันได้อยู่จ บ, จบแล้วจิตที่จะทําให้ยิ่งกว่านี้อีกไม่มีกิจอะไรื่นใดก็ตามที่จะทํายิ่งกว่านี้ไม่มีเพราะความรู้ชอบขอบชิดโดยสมบูรณ์แล้วแน่นี่คือที่สุดแห่งทุก์มาสุดกันที่ตรงนี้ยอดแห่งธรรมก็อยู่ที่ใจดวงที่บริสุทธิ์นี้อพุทธังธรรมังสั้งทังสนั่งฉามิ ที่เราได้กล่าวถึงน้อมระลึกถึงท่านรวมเข้าในธรรมชาติที่บริสุทธิ์นี้หมดนึกถึงพระเจ้ากับอันนี้เลยเป็นอันเดียวกันพุทธโธธรรมูสังโคกในหลักธรรมชาติแท้ได้จากความบริสุทธิ์ล้นล้วนอันนี้ทีนี้เรื่องปัญหาว่าพระเจ้าพิญญาทานไปนานแล้วเท่านั้นปีเท่านี้เดือนนิพพานในฐานที่นั่นที่นี่หมดปัญหาโดยประการทั้งปวงเพราะหลักธรรมชาติที่เป็นพุทธะธรรมะสังฆะแท้อยู่ที่ใจของตน เป็นสมบัติอันรุนคา่าอยู่พ า, ายในใจอันนี้ทันไรอันนั้นขันนั้นหมดปัญหาพระเจ้านิพ า, านไปไห น, น, นรูปร่างเฉยเฉยลลายไปตามการของรูปขันอันนั้นเช่นเดียวกับธาตุขันทั่วทั่วไปสถานที่นั่นที่นี่สารโลกมันก็ไม่ได้ตายอยู่ในที่เดียวกันตายที่นั่นที่นี่ตามสมมติยมแต่ธรรมชาติที่บริสุทธิ์พธิพ์โต ทั้งดวงนั้นไม่ได้ชีพหายไม่ได้ตายไม่มีการไม่มีสถานที่เขาไปเหยียบย่ทำทําลายเลยนั่นแหละคือพุทธะแท้นั่นแหละที่เราอ้างถึงพุทธทงังธรรมสัณฐานธรรมฉามีนีน่อ้างถึงธรรมชาตินั่นแหละจะสูญไปไหนแน่ทำให้เห็นชัดๆการทำให้เห็นภายใน จ, จิตใจทั้งตนเอาอันนี้เป็นหลักฐานพยานธรรมาชาตินี่เมื่อถึงขั้นบริสุทธิ์เต็มที่แล้วอันนี้เดี๋ยได้เป็นหลักฐานพยานอย่างเต็มภูมิดีเดียว อันนี้เมื่ออันนี้ไม่สู์อันนี้เป็นยังไงอันนั้นก็เป็นฉันนั้นเนี่ยเมื่ออันนี้ไม่สูนอันนั้นจะสูนได้ยังไง เ, เป็นธรรมอันเดียวกันนั่นนหละบรรณาพระสาวกอรหัรหันท่านเมื่อได้เข้าถึงธรรมประเภทนี้แล้วอยู่ที่ไหนท่านก็อยู่กับธรรมอยู่กับพุทธธรรมะสังฆะได้ฝ้าพระพุทธเจ้าอยู่ตลอดเวลาอากาลิโกหมดความหวั่นไหวนี่ละ น้ำอมตะธรรมปราบไฟราคาตัญหาภายในจิตใจเรียบรับไปเลยก็มีอะไรเหลือเตสร้างบูปะสมุสโคความระงับดับเสียซึ่งสังขารทั้งหลายเป็นความสุขอย่างยิ่ง น, นี่สังขารธรรมภายในจิตใจสังขารที่เป็นตัวสมุทัยนี่แหละระงับระงับดับไปหมด ถึงสุขเป็นบรมสุขที่กรมะทั้งหมดนี้มีอยู่ในฐานที่ใดทั้งฝ่ายเหตุฝ่ายผลทั้งฝ่ายดีฝ่ายชั่วมีอยู่กับเราทุกท่านที่รู้อยู่เวลานี้ธรรมชาติที่รู้รนั่นแหละเป็นสิ่งที่ควรอย่างยิ่งแก่ทําทั้งหลายจนกระทั่งถึงวิสุทธิธรรมคือความบริสุทธิ์ไม่มีอะไรนอกเหนือไปจากความรู้นี้ขอให้ชำระสิ่งที่ เท่าธรรมชาติาาความรู้นี้ให้พ้นจากสิ่งกดท่วงหรือกดขี่บังคับทั้งหลายออกไปโดยลำดับดับเถิดคำ่านิพานจะไม่ถามหาอยู่ที่ไหนเมื่อถึงจิตบริสุทธิ์แล้วจะหมดปัญหาโดยประการทั้งปวงการแสดงธรรมก็เห็นมาสขควร